ดังใจฟังลูกัวก็พูดมากลูกัูก็เหนื่อยเหนื่อยเดินไปนิดเด็ยวก็เหนื่อยัางทีใจสะขาดหายใจมึนๆๆๆได้คนแ ก, ก่มันนอนตายก็เป็นอย่างนี้มั้งกันหันใจไม่ตัวเราต้องสาวอารมณ์สาวลมแรงๆก็พดนออกแล้วก็ฟื้นได้เหมือนกัน เนี่ยนะแก่มาเปแก่ขึ้นมาก็เป็นทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์เราแก่มาตั้งแต่วันเกิดแล้วตายตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาพอออกจากท้องแม่มาก็ตายเลยละเขาความตายมาให้นะเอาความแก่มาให้นะตายจาก แ, บ, Just, แบบบาอยู่ก็มาตายตายจากนั้น ม, มาเป็นเด็กเล็กๆน้อ ย, อยๆขึ้นมาก็ามาคานตายจากคานเขามายืนตายจากยืนก็มาเดิน นี่มันตายอยู่งันแต่เราไม่ทำมันไม่เห็นเราไม่เราไม่มองขึ้นคือเราไม่ไม่ทบทวนมันนะครับถ้าเราทบทวนขึ้นมาใจมันจะเต้นต้มน้มแล้วเพราะมันมองเห็นความตายแล้วเอ่มันต้องตายก็เราก็จะดูแต่ปู่ย่าตายายเรามาดูแต่ผูมโรคถึงอเวกีดูที่อเวกีถึงภูมโรคแหละ มันจะเกิดเกิดสลดสองเวทว่าชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์พระพุทเจ้าจึงแสวงหาหาที่ไม่ไม่ตายมันจะมีแต่ตายเลยมันก็ตั้งที่ไม่ตายก็นี่เพราะมันคู่กันอยู่เหมือนกับผู้หญิงกับผู้ชายก็คู่กันสัดตัวคู่ตัวเมียก็คู่กันมืดก็สว่างก็คู่กันอยู่นะเพมันต้องมี ตอนนี้ลุงปู่นี่ไปแบกกันไหนไปนานเนี่ยมันจะมีแต่ตายวองแต่ก่อนลุงปู่จะเป็นเป็นหมอฉีดยาหาฉีดยาคนเก็บคนไข้หารักษาแต่ไม่เอาเงินนะอยืยไม่เอาเงินเอาเงินไหนซื้อยาเป็นเจ้า ม, มือหวยเป็นเจ้ามือหวยแหละก็ไปซื้อยามาฉีดคนะ แล้วก็เห็นคนตายเนี่ยเอ๊นู้นตายนู้ตายมามันจะตายถึงเรานะเนี่ยอ่ามันที่ ท, ท, ที่ที่ไม่ตายจะมีไหมไม่อยู่ตรงไหนไปบวชถึงจะเห็นลุงเออถ้ามึงไปบวชกลับคืนทางเก่าไม่ได้นะเออถ้ากลับคืนมาทางเก่าให้เป็นหมานะมันกลัวจะเป็นหมามันก็เลยไม่กล้าเลยพอได้ความมันก็ออกบวชเลยนะ ออกบวชมาก็ามีไปอยู่ที่ภูเขาตื่นเช้ามาอ า, อาจารย์ที่บวชให้นะต่อไปนี้ท่านเสนต้องเป็นหัวหน้าเขานะเออต้องเป็นหัวหน้าต้องเป็นกุ๊กใปกครองหมู่เพื่อนนะ เ, เ, เ, เ, เ, เหมือนแล้เราเอ๊ะเราเพิ่งบวชเมื่อวานนี่จะให้เราเนี่มาปกครองเราจะเอาธรรมะที่ไหนไปสอนหมู่สอนเพื่อน ถ้าอย่างนั้อ๋อสึกซะก่อนแล้วสึกก็กลัวจะกัวจะจะเป็นหมาเนี่ยก็เลยไม่กล้าเนีเพราะไม่กล้าก็เลยอ่าก็แสวงหาเอหรือไม่ใช่ครูของเราไม่ใช่อาจารย์ของเรานาะถ้าอย่างนี้เราอยู่ในศาสนาไม่ได้เพราะเขายกให้เราเป็นใหญ่เหมือนพระสิบเอ็ดองค์อยู่ด้วยกันกรรมสารตื่นเช้ามาก็ให้เราปกครองให้เราอยู่มันปู่เป็นเพื่อนมาอ่า มันยังอยู่เราเอาธรรมะที่ไหนไปสอนคนแต่สอนตัวเองยังไม่ได้จะไปสอนคนอื่นได้ยงไงก็เลยสแสวงหาครูอาจารย์พวกจะสอนเราพ้นทุกข์ไหมมีไห ม, ไ ม, ไมน้อถ้าเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าจะอยู่ในศาสนาไม่ได้รแล้วถ้าหาว่าอาจารย์ของข้าพเจ้ามีขอให้เทวดาทั้งหลายมาบอกถ้าไม่บอกเราจะไม่โดดเขวตายก็ต้องกินยาตายต้องเปเงั้นเงิน ในใจคิดไวง้พอนั่งได้ถึงตั้งแต่หกโมงไปถึงสามทุม่มเสียงแววมาจากภูเขาเลยผู้ะจะสอนคนทุกดูน้องแซงยได้ยินกองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังได้ยินอยู่น ะ, ะหกสิบกว่าปียังได้ยินอยู่ได้ยินเสียงแววมาจากภูเขานะโอ้โหหายใจลใ่องเลย น้องแสงอยู่ตรงไหนเนาะเราไม่เคยเรื่องนีก็ถามมาอยู่อำเภอหนองหัวซอแต่ก่อนเดินทางไม่มีรถเนาะแต่ก่อนน้ำมันก็ลิดระบาดแต่ก่อนมาทางก็ไม่มีก็เลยมุ่งหน้ามาเลยมุ่งหน้าเขาว่าวัดป่าน้องแสงอมามาถึงน้องแสงเนะ่ เข้าไปกราบตีนท่านเลยฝากเนื้อฝากตัวก็ท่านชีวิตนี้ขอมอบกายถวายชีวิตให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เละท่านถามเบื่อโลกหรื อ, อยังอย่างกับผมเหมือนเอาให้ดีนะทั้งทีไล่หนีนะท่านว่าเงนินทั้งอเลยมอบกายถวายชีวิตให้ท่านเลท่านสอนครั้งแรกว่าสติไม่มีทาให้มี ปัญญาไม่มีทําให้มีทำไม่มีทำให้ ม, ห ม, หมีความอดทนไม่มีต้องทําให้มีมันไม่ใช่มันจะเกิดเองต้องทำท่านว่าจะเกิดเองไม่ได้ต้องทำนันั่นโอ้โหจับคำนี้เนียได้เท่านละเอาละเราเจอแล้วเจอของดีแล้วกันอทำห้าอย่างนี้ท่านว่าแต่คนเราไม่ไม่เอามาใช้ตัวนี้หีเลอตุตปาตัวนี้ย ฮิรินี่ไม่มีมีแต่สอนกันสติสอนปัญญาสอนความอดทนฮิริโอตปาเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญอยู่คนเราได้ทําอะไรไม่มีฮิริไม่ไม่อตปามันมันรู้แก่สินของเรานะฉะนั้นดังฮิริโอตปาตัวนี้ต้องต้องเอาขึ้นมาใช้ต้องสอนกันสอนตรงเนี้ยสอนฮิริโอตปาเนี่ยตัวนี้ต้องมีสอ น, อ ต, นตัน้งแต่ขันติ อ่ามีแบบสอนตั้แต่ปัญญาปัญญาไม่มีทําให้มีอ่าขันติไม่มีทําให้มีอ่าฮิลิโอตตปานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยสอนกันเท่าไหร่ไม่ค่อยสอนไม่ค่อยสอนด้วยฉะนั้นหลงปูอยากจะสอนฮิลิโอตปาด้วยฮิลิคือความละอายโอตตปาคือความแก้ต่อมาเลยอันนี้ไม่ไม่ค่อยสอนกันเท่าไหร่ ฉะพวกเราต้องให้เฮลิอตตาปา ด, ด้วยเฮลอตาปานี่ความแกรงกลัวต่อบาปตัวนี้ต้องสอนกันเหมือนกันนะฉะนั้นพอท่านว่านี้ไม่ไดีไล่หนีนะว่าสติไม่มีทําให้มีปัญญาไม่มีทําให้มีขันติความอดทนไม่มีทําม่ทำไม่มีธรรมตาไม่มีอ่าเฮลิอดตาปาเฮลิแปลความละอายอดตาปาคือความแกรงกลัวต่อบาปนี่ ตัวนี้นะท่านว่าถ้าทำห้าอย่างนี่บาปกิเลสบาปกิเลสขันธมานมัจุมานเทวตมารราชามารน่านว่าต้องเอาสิ่งเหนนี้มาปามเพราะเป็นทำชั้นสูงท่านว่าฮิริอัตตปาขันติฮิริอัตตปานี่ยเป็นทำชั้นสูงว่านี่ฝ่ายชั้นสูงฝ่ายชั้นต่ํำนี่คือกิเลสทมานขันธมานมัตจุมานเทวบตมานเนี่ยเทวตมารเนี่ย คนเรามาติดอยู่ทเทวุบทมานมากกว่านเทวบทมานคิดถึงลกูกถึงหลานคิดเข้าของเงินทองคิดอยู่งันแหละตัวเนี้ยตัวเทวบทมานเนี่ยเราเวลาเนี้ยเราติดอยู่ตรงนี้ทุกคนต้องติดอยู่ตรงนี้อืมคิดถึงลกูกรทำอะไรไว้อเพื่อลกูกเพื่อหลานอะไรน่ะคิดไปอย่างนั้นเพื่อ น, นี้เรียกว่าทเทวบทมานนะ ทำอะไรทําเพื่อลกูกเพื่อหลานให้ลกูกเพื่อหลานได้อยู่เรียนเป็นสุข อ, อย่าไปคิดกับเขาเลยบุญวาสนาเขาเนี่ยบุญวาสนาใครบุรวมันเมื่อเราจะหาไปกองเข้าภูเขาเขาไม่มีปัญญารักษาไม่ใช่สมบัติของเขาเขาก็รักษาไม่คูมมหรอกอันนี้ผ่ากันคิดให้ให้ลึกเครื่องเข้าไปอีกนะอย่าคิดเพลิ น, นคิดไปเรื่อยนะคิดว่า ดูแต่พ่อแม่บิดปู่ยาตายายของเราเนี่ยหาไม่เราก็ไม่ไม่ได้ของท่านสมบัติของท่านทั้งของทั่วพวกชัวเขาช่วมเมืองถูกพวกก็ขาก็จะไปไม่ว่าทางโลกและทางธรรมทางธรรมก็เหมือนพ่อปู่บอาจารย์หาไม่เยอะแยะไปเขารักษาไม่คุ้มก็มีบางองค์ก็ช่างมากก็เากอบคูบาอาจารย์หาไว้ให้อีกนั้นก็มี แล้วแต่บุญวาสนาบารมีไรมันของกันเพียงฉะนั้นญาตโยมทั้งหลก็ต้องดูตัวเองนะไม่ต้องไปดูเขาเขามันเกิดที่หลังเราถ้าไม่มีไม่มีเราไม่มีเขาหรอกเพราะเขามันเกิดมาจากเรามีเรามันจะมีเขามีเรามันจะมีลูกมีหลานมีบ้านมีเมืองมีแล้ต่อกันมาอย่างนั้นพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเหลืออะไร เหลือจา ก, การกระทําเท่านนะั้นการกระทานั้นจะทำสร้างสติให้ดีที่สุดว่าให้เสียแ ต, ยเ ต, ยเตย่เวลานอนหลับเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาสติพลัมฟันก็ไปเลยเั้นแหะสติตัวนี้นน เ, เนี่ยนะนะจะพาเข้าสู่ผลิพานคือคนมีสติท่านคนไม่มีสติถึงก็ต้องว่าผีบ้าอย่างั้นแหละให้เสียแ ต, ยเ ต, ยเตย่เวลานอนหลับเท่านั้น อกูวาอาจารย์สอนท่านสอนมาอย่างนั้นสอนให้ให้วีสติท่านว่าได้แต่สติเขาไปพ้นิพานได้ท่านว่าท่านสอนอย่างนั้นกูวาอาจารย์ท่านแนะนําความสอนม า, างั้นลุงกูน้อ ง, ง, งน้องแสงเนี่ยอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้ไม่รู้หนังสือทุก ต, ตัวเลย mm hmm. แต่ว่าเลขคิดในใจของท่านเก่งมากแล้ว mm hmm. ท่านรู้หมดเลย รู้แจ้งแด้เหรรู้มากรู้รู้รทุกสิ่งทุกอย่างเลยขนาดเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกแล้วท่านได้สำเร็จโทด่าจะเป็นโยมแล้วจะจับหางไถ่ท่านเป็นหมอผีนะไล่ผีมาอยู่ในนั้ น, นเป็นหมอผีไล่ผีท่านจะเป็นคนเสียงดังฮะงผีได้กลัวเลย เป็นเท่ากับจำใช่ก่อนหนึ่งเป็นหมอผีไล่ผีที่ลุงปู่คาดีลุงปู่อ่อนลุงปู่อินท่านก็นเลยไปโปรดท่านอยู่ที่ร้อยเอ็ดลุงปูค่คาดีท่านจะอยู่คนแก่นนะครัท่านก็นเลยไปไปโปรดไปโปรดพอ จะไปอยู่ด้วยกัน1ิบเอ็ดองนะครับท่านก็คืนมาท้านก็มาภาวนาพอภาวนาเท่าท่านว่ามีผู้หญิงมานั่งามานั่งเอาหัวพาดหัวเข่าท่านนะ่ะเลือดน้ผาผากไหลออกเต็มเลยท่านก็มองดูงนนมองดูมันก็หายไปท่านวอาอ่านก็พอ นั่งมาหลวงโอ้กัมปีก็เลยพูดว่าคนถือผีเนี่ยทําบุญไม่ได้บุญหนอพูดแค่นี้ท่านตกใจเลยท่านว่าเอ๊ะเราก็สร้างกองบวชมาเอสามกล่องเราสร้างกรถินมาก็สามกองแล้วเนี่ยทําคนถือผีไม่ได้บุญมันจะอะมันจะทำยไงจะได้บุญท่าน่าพองั้นท่านก็เข้าไปศึกษาเลย อ่ากูมาอาจารย์ว่าเอาพวกถือผีเนี่ยทําบุญไม่ได้บุญหรอกท่านว่าอืมแล้วทำกันทว่าทําให้จะได้บุญหมู่กันฮะจุ๋งผมดีก็เลยตอบว่าใครว่าผีมันเอาบุญผีเอาบุญไม่เป็นหรอกท่านว่าทำไมจะจะได้บุญก็เลิกถือผีเดิจะเลิกแกจะพูดเฉยๆมันก็เล่นแล้วหมือนเล่นงานนั่นท่านว่ามันก็มา ทำให้เก็บนั้นปวดนี้ปวดท้องปวดทวดท่าทำไมให้เป็นอยู่งั้นท่านว่าเดีพยพอจะเลิกนะท่านก็ถามเลยว่าถ้าเลิกถือผีถ้าผีมาจะรับรองได้ไหมไดท้ท่านว่ากันหลวงปู่ก็ามีว่าท่านก็ศึกษาผู้ใหญ่บ้านเต่ากระจํามาบอกว่าพวกเรานี่ถือผีทำบุญไม่ได้บุญรวมท่านว่าให้เลิกถือผีนะแล้วถ้าถือผีไงจะพูดเฉยๆมันก็เอาแล้วงั้น ท้ารับรองได้ท่านว่าง น, นก็เลยมารับพระธรรมพระไตรชนคมไม่ดูเลขดูมอไม่ถือผีถือสางไ ม, ไม่ไม่พูดไม่ไม่สินห้าให้บริสุทธิ์ท่านว่าแต่ จ, จนั้นก็นสบายผีก็ไม่มาใกล้ที่ไหเลยเพื่อมาใกล้เช่านว่าทางไปพระที่ผ่านทางไปเมื่อไปตรงไหนทำยังไง ท่านถามหลวงปู่คำดีขึ้นมาเลยท่านูหลวงหมู่คำดีถามว่าก็ตั้งสติเนี่ยและสติแปลว่าไงแน่เห็นไหมเจ้าไม่รู้จักว่าสติแปลว่าไงแนละ้วตั้งสติเหมือนอยู่กระต้นเาสาศาลาเทนะ่านั้นแค่นี้แนะ่ะท่านก็ทําตั้งสติอยู่ไถนาก็มีสติดำนาก็มีสติกินข้าวก็มีสติ จะผูกควายจะอะไรจะเกี่ยวข้าวแล้วมีสติทันว่าพควสติถึงใจเท่านัาา้นพระธรรมก็ไล่ออกเลยนี่พวกได้โซดาพระธรรมไล่ออกเลยไปไม่สมควรจะอยู่แล้วไม่สมธนะแล้วต้องออกบวชถึงจะได้เัม น, นท่านว่าท่านมีลูกอยู่ห้าคนคนที่หกตายแลอเดี๋ยวก่อนให้ลูกใหญ่ก่อนท่านว่า นันะพอลูกออกโรงเรียนเดือนเมษาเดือนหกจับแต่งงานเลยท่านว่าท่านก็สั่งลูกเต้าสั่งลูกหลานสั่งบอกว่าให้เวลานี้ให้พวกแกว่าพ่อก็แกตายแล้วนะพ่อจะออกบวชแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพ่อแล้วท่านว่ามีอะไรให้ พี่ชายคนโตแบ่งแล้วคนแบ่งให้เอาทีหลังเขาถนวมทั้งกันจัดแจงดีดีทั้งกันลาลูกลาล า, ลาบันบันใดบันใดเอ้ยถ้าขาคิดถึงจะให้ขามาใจคิดถึงให้ใจมาเราจะไม่มาเหยียบอีกแล้วเียียบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเงน พอท่านสั่งบันไดแล้วท่านก็ลงไปไปสั่งควายอ่ท่านว่าอยากอยากไปดื้อ น, นะเขาใช้อะไรให้ไปพ่อจะออกบวชแล้วพ่อจะไปบวชออกบวชว่า่าไปดื้อไปเรื่องจะไปเข้ารั้วเข้าสวนเขาเขาจะฆ่าจะตีเขาใช้ไปไหนให้ให้ไปก็เขาพ่อไม่อยู่แล้วพ่อจะออกบวชแล้วท่านว่าท่านสั่งควาย ก็สั่งควายเสร็จแล้วก็ท่านก็ไปสั่งเชียวอีกเชียวเอ้ยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยนะจะไม่มาจับอีกต่อไปนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจับเชียวกันงนี้มนะันท่านสั่งเชียวแล้วก็ท่านก็ออกด้วยออ ก, ออกไปหาลุงอู่คำดีอยู่บ้านไัยพอไปถึงบ้านไัยลุงปู่เขามีว่าไม่ทำอะไรมีแต่เล่าเรื่องความนาในการเลย ไม่ไปเล่าเรื่องเลยจะให้บวชท่านก็บาปไม่ไม่อยากบวชเพราะท่านอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกเน่ยหลวงปู่คำดีหลวงปู่อ่อนท่านว่าต้องบวชไม่บวชไม่ได้เพราะเราเป็นเป็นพ้าแล้วใหญ่เป็นพ้าแล้วเดี๋ยวไมื่ญาติโยมมาถึงจะมาใช้อย่างนั้นได้พูดอย่างนี้เขาจะเป็นบาปเป็นกรรมต้องบวชเหมือนกันท่านเป็นตาพระขาวอยู่สามปีฮนะท่านยังได้ออกบวชหลวงปูบ่บัว พอเป็นได้3ามปีพอออกบวชแล้วลุงปู่มันก็ถามหาเลยใครได้ศึกษาธรรมะกับลุงปู่บัวมังผู้เท่าได้สำเร็จโสดาจะเป็นโยมนะเ่ลาผู้แค่นี้คนนังไงก็พระวิษุทำไมก็อยากเห็นพระโสดาก็ตามหาเลยไปเจอท่านอยู่ที่หนองฟักตบอยู่กับลุงปู่ศรีมหาวิโรยสององค์นี้ท่านจะไปไหนไปด้วยกันเพราะลุงปู่ศรีี่เป็นครู ลุงปู่บัวนี่อ่านไม่ได้เขียนไม่ออกต้องมาฟังธรรมะลุงปู่บัวท่านไ่อยู่ด้วยกันอพอลุงปู่มั่นถามหาเท่านั้นแหละอะแต่ก่อนไม่อยากไม่กล้าเข้าไปเพราะลุงปู่มั่นพระแก่ก็ไม่รับพระไม่ได้ปฏิโมกท่านก็ไม่รับอืท่านท่านลุงปู่มั่นตั้งเนี่ยลุงปู่บัวก็ต้องกลัว ก็ไม่ตาเข้าไปพอหลวงปู่มั่นถามท่านแะล้ท่านก็เข้าไปพอเห็นหน้าเธอท่านว่าผู้เท่าที่นั่งอย่าสามวันสามคืนนะ่ะนั่งอยู่ไงได้ท่านหลวงปู่มั่นถามก่อนเลยท่านก็เลยตอบหลวงปู่มัน่นเข้าถึงจิตเดิมกับผมหลวงปู่มั่นว่าผิดทางแล้วตายไม่ได้เกิดง่ายนะนั่นมันเป็นพันธิผ่านผมเป็นไ อ, อ้นั่นชานของฤาษีอะ อายุเป็นล้านล้านปีท่านว่าแล้วหลวงปู่มั่นพูดว่าอายุเป็นล้านล้านปีนะแล้วท่านพูดท่านตกใจแล้วหลวงปู่ว่านึกว่าเป็นศึกษานี้ก็แบบพันธุพานแต่มันไปเป็นพนธุพานธุ์ผมอันหลวงปู่มั่นให้ให้ตั้งต้นใหม่เลยนะท่านว่าจะทําได้ไหมได้ก็ผมเหมือนแล้วท่านก็เลยตั้งต้นใหม่เลยพอตั้งต้นใหม่นั่งจะจะหกโมงครั ถึงจะถึงถึงถึงห้าทุ่มอะไรมารู้เลยว่ามีแต่ผู้รู้สติไม่มีขาดสติเลไปแต่ผู้รู้ทันว่าได้ความพักตื่นตื่นเช้ามาหลวงปู่หลวงปู่มั่นถามเป็นไงชอบที่ก็ตื่นทั้เวลาเ่ยผิดแล้วก็ผมผิดตรงไหนว่าเมื่อไปแต่ผู้รู้สติไม่มี ท่านนี้ลวงปู่มันอึดอโขึ้นมาเลยเอาคนต่างด้าวมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองไปไม่ไมีสติท่านท่านลวงปู่มัมนว่นนาให้หยุดซะก่อนให้อยู่ตรงนี้จะมีคนมาอ่าจะมีคนมาโปดท่านว่าเพราะปีเก้าสองเก้าสองี่ลงปู่มันกันที่ผ่านเนี่ยก็หยุดมันจะมีพระมาโปดอีกทีนึงปรากฏว่า ลวงตากมหาบัวปูดท่านมาลุงตามหาบั ว, ท, บวท่านได้สําเร็จเป็นพระอาจานย์เก้าสามเลยลุงปู่เรานี่ยเก้าสี่มาท่านา่ะเพราะของลุงปู่มันท่านลุงปู่บัวก็อย่งังไงท่านมีสติท่านวันได้จะสติก็ไปพันธุ์ผานได้เท่านะั้นฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเขาให้มีสตินะมีสติมีปัญญามีขันตินะม่นมาไม่ใช่มันจะเกิดเองต้องทําท่านมากัน ลูกปู่ก็จับธรรมะของท่านได้แค่นี้ลนะ่ะก็บำเพ็ญมานี่ก็หกสิบยี่หกสิบปีไป น, นี่ลนะ่ะจนมาป่วยดยันนี้ก็คอแห้งคอเป็นพ้งอยู่อย่งนปากแห้งคอแห้งอยูนน่นั่นยีจะรับแต่วันจะไปเมื่อไรเนาะเมื่อไรเนาะอยู่งั่นแนหะเมื่อไรจะหมดลม คอยจะลมนูจะคอยลมหมดเท่านั้นแหละชีวิตของพวกเรามีแค่ลมเข้าลมออกแคนะ่นั้นแะไม่มากหรอกอย่าไปยิ่งไปหาอยากได้อยากนี้ตัดออกไปให้เป็นปรมาัูส่นยัง่งมันนั่นศนูงแต่มันก็ยังอยู่นะั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ไม่มีเสื่อมใครายไม่เอี่ยมลองอยู่งั้นเลย ทันสมัยไม่เคยร้าสมัยเลยทุกถึ่งทุกอย่างทันสมัยเหมือนตอนนั้นดูดูจะา้าเจะร่งผมก็ตั้งใจมาตั้งแต่เกิดมากไม่ได้เปลี่ยนเลยก็สีเดียวอันเดียวนี้เนี่ยสู้โยมไม่ได้เ ด, ไไ ด, เดียวสีดำสีแดง ส, ส, สีขาวที่เป็นอยู่เงินพระพุทธเจ้าสอนให้มีเนี้งฉะนั้นคนไหนเชื่อพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์นะคือไงให้เชื่อจากท่าน พ, พระพุทธเจ้าเป็นศาสตาเอกของโลกสอนทั้งสัตว์สอนทั้งมนุษย์สอนทั้งเทวดาท่านสอนหมดเลยงผู้ตกทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ผู้มีความสุขก็ให้มีความสุขโดยไม่เอาเปรียบบรรณะใครเยหวังจะขนสัตว์ออกจากโลกจริจรงๆ พ, พระพุทธเจ้าเป็นพรปาปาตนามาแก้พวกเราทุกคนก็เชื่อว่าศาสตราเป็น พ, พระพุทธเจ้าเทิดจะหมดนะ แต่มันจะใครจะมาแก้ทาใครแก้ใครแก้มันโดนนะตอนนี้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็พ า, ากันเปิดเป็นบัดเอาให้พ้นภูนชาตินี้นะอ๋ะอ